بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا م ح م د وعلى آله وصحبه أجمعين. เราดิ้ ب ตุ له ิรับบ ل วบินอิส د ามิดิน م วบิมุฮัม ر ัดินอรสู صدر ي س ยัสซิ أ م ل ي و ح ل أ ض ا ت م ل س ا ن ي يفقهه كولي بسم الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سمين الس عليم بسم الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سمين الس عليم ب سم الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إ ن ا نسألك ع ل ن منافعا ورزقا طيبا وعملا مقبلا يا رب العالمين اللهم فكه في الدين وعلمه ت و ي ن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจ้าลอสุบหาห์นหัวตาและประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรานทุกๆ ท, ท่านก่อนอื่นก็ขอชุกโกต่อลอสุบฮาณนหัวตาและที่ให้พวกเราได้มีโอกาสอยู่ในช่วงเวลาที่มีความพิเศษ วันนี้เป็นการอ่านกุรานที่ดูเหมือนจะปกติแต่ไม่ปกติทำไมไม่ปกติล่ะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุนฮิตจ้ะเพราะในฮะดิษบอกว่าใครที่ทำอามันซอลแหละหนึ่งในนั้นก็คือการอ่านกุรานเนี่ยเรียนกุรานศึกษากุรานเนี่ยเป็นอามันที่ประเสริฐอย่างมากนะ เป็นที่รักยิ่งไปกว่าณนะช่วงเวลาสิบวันแรกของเดือนรุนฮิจรัตซาบานาบีถามแม้กระทั่งจีฮาร์ต น, นั้นหรือนะบีบอกว่าใช่การจีฮารเนี่ยยังผลบุญไม่เทียบเท่ากับการทําอามันในช่วงสิบวันแรกของเดือนรุนฮิจรัตเว้นแต่คนที่ออกไปและตายในสนามรบได้ชัฮีตเท่านั้นถึงจะได้ผลบุญเยอะกว่าดังนั้นวันนี้เราทำเลยละพวกเราทั้งหลายก็จะได้รับฟอดีละ่ะ ช่วงเวลาของสิบวันแรกของเดินสุธิยจ้าด้วยนะครับรก็ก็ไม่ตรงตามในฮะดิษบอกก็จะไม่เท่ากับอนามันที่ซอแลของสิบวันหมายความว่าถ้าออกเฉหิดเนี่ยต้องออกไปด้วยกับรัพ์ตัวเอง พูดง่ายๆว่าดาบก็ไม่ได้ใช้ของหลวงโล่ก็ไม่ใช้เสื้อเกาะทั้งหมดทั้งมวลเป็นทรัพย์ที่ตัวเองจ่ายเองดาบซื้อมาเองโล่ก็ของตัวเองเสื้อเกาะก็ซื้อมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบรรดานักรบส่วนใหญ่ก็จะมีดาบมีโล่ประจํากายอยู่แล้วอ๋อไม่มีใครพกทองไหมหรอกหมายถึงอาวุธมันต้องใช้ตังค์ไหมล่ะ คือมันจะมีมันจะมีอาวุธที่ทางการเตรียมไว้ให้มาแต่ตัวแต่ว่าดาบของรัฐโล่ของรัฐเวลารบเสร็จก็ไปคืนเขากับอีประเภทหนึ่งคือรัฐไม่ต้องยุ่งเลยดาบเราจะ อ, ออกตังเอ ง, องเหมือนฉันมาสอนหนังสือเนี่ยหนังสือฉันก็ต้องซื้อเองอถ้าเบิร์ ก, กับพญาเนี่แสดงว่าไม่ได้ทำหมดนจ้าแต่ต้องอธิบายเข้าใจไม่มีใครพกสตางค์ไปออกรบหรอกครับตังค์หายหมด เออนะอ่าเข้าใจตรงนี้นะอาวุธหาด้วยกระตังตัวเองพออาวุธต้องใช้เงินไหมล่ะดาบต้องใช้ตังนะเสื้อกะกะแพงแพงนะฮะเสื้อกะแพงนะไม่เห็นถูกถูกอัลฮัมดูลิลละอ่าเดี๋ยวเราอ่านต่อนะเดี๋ยวเริ่มต้นฟาติฮาก่อน أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الر الر لله رب العالمين อัลราะห์มานีอัลราฮิมมาลิกิอูมิดดินอียังกนับดอียกนสต اعين อิห์ดีน ا ل ص ِิรَต ط َมْุตُ س ี ت َิร ي ตัลِ ر َ ا ط ี ا นَّ ذ อันَ أ َ ن ْ عليهم ศิราตัลท้้าที่นั้นอั عليهم ไร่ละมุดูบุ่ย عليهم وَالضالِين อ عوذ بالله من الشيطان الرجيم الش أنت الر أن قل إنما أزل أن الكتاب อินนามะอุซิล์ ك ัลกิฏบาบَอาลัยทออีฟะตันิมิลคับลีน่า ว َإِن كُنَّا عند راستهم لغافيلين عن را أو تقول لو أناأ ทิละอ้ายในคัตต ك บุลّ ا َุ ه ْ د َ ى م ِ ن ْ ه ُ م ม ฟَาก็จะ accumulate ทุ่มมิรับบิคุมวาหุดา وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ م ِ م َّ ن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سنَجَزِي َ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ มาดูความหมายนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายของสุระอนอันอมัมซึ่งพยายามเน้นย้ำเรื่องของอันกุรอารการพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยไม่ยากเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากุรอารเนี่ยไม่ได้มาจากมนุษย์ประพันธ์หรือแต่งขึ้นนะ นี่คือคำภีร์ที่มาจากฟากฟ้าที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตายแล้นะดังนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายในการดาวัตอิสลามและทําให้คนเนี่ยได้เจอว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเนี่ยก็คือการที่ให้ใหคนนั้ น, นไปศึกษากุรานนวยศาสตร์ได้หลายคนที่เจออายะที่เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ในกุรานก็ถึงกับแปลกประหลาดใจ และก็ยอมรับว่าคำพีนี้ไม่ใช่คำพีที่มาจากมนุษย์นะดังนั้นถ้าเชื่อว่าคุรานมาจากพระเจ้าเราก็ศรัทธาต่อพระเจ้าเอาละบอกว่ามิเช่นนั้นอันตะกูลูอินนามาอุนซิลกิตาบวอาลาะตอีฟะตัีนิมีกอบลีนา พวกเจ้าจงกล่าวว่าแท้จริงคมภีร์ที่ได้ถูกประทานลงมาให้แกสองกลุ่มก่อนหน้าพวกเราเท่านั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาก่อนหน้านี้สองคำพีหลักๆเลยก็คือคำพีเตารอดกับอินจีนเตาร์อดก็ให้นบีมูซาอินจีนก็ให้นบีอีซาซึ่ง แน่นอนว่าสองคำพีนี้เราก็ศรัทธาเชื่อว่าคำพี์นี้มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มีใครเคยอ่านเตารอ้อะผมก็ไม่เคยอ่านและอ่านไม่ออกด้วยยิ่งอินจีนเนี่ยแท้ๆก็ไม่เคยอ่านที่อ่านก็เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันถูกแปลงมาแล้วที่เป็นแท้ๆภาษาแท้ๆเลยของของอินจีนเนี่ยก็ก็ไม่เจอแล้วนะเป็นคัมภีร์โบราณละกลายเป็นภาษาอังกฤษที่เขาเอามา เขียนกันนะแต่กุฎีอ่านยังเป็นภาษาอ раб ดั้งเดิมอยู่และก็มีการแปลเป็นภาษาไทยภาษาอะไรแต่ว่าเวลาที่เราอ่านในละหมานนี่ยังเป็นกุฎีอ่านที่ที่อัลลอฮ์ได้ประทานนะเราไม่เอาคําแปลมาอ่านนะในละหมา น, นเราจะอ่านด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องอ่านบิสมิลลาฮิรราะห์มานีรราะห์มเป็นภาษาอับดับดังนั้นอย่ายไปเข้าใจว่าก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ให้คำภีเตาร้อนกับ มูซาก็ต้องของมูซาของยิยาฮูดอย่างเดียวอินยินแต่กุรฎานไม่ใช่กุฎานี่อัลลอฮ์ให้กับมนุษยชาติทั้งหมดจะเป็นยิวจะเป็นคริสตจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่อยู่ภายใต้การทําความเข้าใจกุรฎานได้ทั้งหมดนะไม่ใช่ต้องอาหรับอย่างเดียวอาหรับถึงจะเรียนกุฎานได้คนไทยเรียนไม่ได้ไม่ใช่เรียนได้หมดอัลลอฮ์บอกว่า ว่าอินกุณาอันดีรอเซติหิมละกอฟิลินและแท้จริงพวกเราเนี่ยไม่รู้เรื่องในการอ่านของพวกเขาแปลว่าอะไรแปลว่าคนอาหรับที่เป็นคนที่ตั้งแง่กุตอ่านเนี่ยก็บอกว่าก็อินจีนก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านยังไงเตารอนก็ไม่รู้และฉันจะมาศรัทธาต่อกุตอ่านได้ยังไงเหมือนกับว่าเราจะต้องศต้องไปเชื่อต้องรู้ในสิ่งที่เตารอนบอกก่อนไม่จําเป็นบอกแล้วไม่จําเป็น แต่ถ้าคนที่รู้เตาร้อนเขาก็จะพิสูจน์ได้ว่ากุอาญณเนี่ยคือคำภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ด้วยกับที่เตาร้อนเคยบอกเอาไว้แต่คนที่ไม่รู้จักเตาร้อนไม่รู้จักอินยีนเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าจะเรียนกุอาญณ์ไม่ได้เหมือนกับคนที่เหมือนคนที่อยู่ในมักกะซึ่งท่านนาบีของเราเนี่ยอย่าว่าแต่เตาร้อนอินยีนเลยอาหรับภาษาอัลลัฮนี่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลย ไม่มีความรู้อยู่แล้วในสิ่งที่เป็นอินจีนแล้วก็เตาร้อดแต่ที่นบีอ่านออกมานั่นคือววฮีที่มาเจากเหอนะเอาต่อมาร้อยห้าสิบเจ็ดหรือพวกเจ้าจงกล่าวว่าแท้จริงเรานั้นหากคำพีถูกประทานลงมาแก่พวกเราแล้วไซอ่า หากคำภีกุรานเนี่ยถูกประทานลงมาแล้วไซอัลเตกูลูลลวอันนาอุนซีลาอะน่นกีบและกุนนาอหดามินฮมุมและหากคำภีถูกประทานลงมาแก่พวกเราแล้วไซแน่นอนพวกเราก็จะอยู่จะเป็นผู้ที่อยู่ในทางนำที่ดียิ่งกว่าพวกเขานะแท้จริงหมายความว่าไง หมายความว่าถ้าพวกมุชติกีนอ้างว่าถ้าพวกเขาเนี่ยได้เตารอนได้อินจีนมาเนี่ยเขาก็คงต้องดีกว่าอ่าแต่ฉันบอกไปแล้วว่ามันไม่เกี่ยวไงว่าทําเป็นต้องไปรู้เตารอนไม่จําเป็นและเพราะพราะพวกนี้ก็บูชาจเจวิตมาแต่แรกไม่รู้จักอยู่แล้วดังนั้นยึดที่คุรอา น, นี้คือจบหมดเลยยึดที่กุรอา น, นี้คือสมบูรณ์แล้วไม่จําเป็นว่าต้องรู้เตาร้อนว่ายังไงอินจีนว่ายังไงนะ เขาก็บอกว่าแท้จริงหลักฐานอันชัดเจนทางนําและความเมตตานั้นได้มายัางพวกเจ้าแล้วอันนี้อลอบอกแล้วนะแท้จริงกุรรานเนี่ยที่ผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยเป็นหลักฐานอันชัดเจนและทางนําและความเมตตาที่มายัางพวกเจ้าแล้วไม่ต้องไปอ้างเรื่องเตารอ้อนเรื่องอินจีนแล้วอ่าเหมือนคนน้อยใจเหมือนกัน แต่ตอนนั้นอินจีนไม่ได้มากับพวกเราหน่อาหรับนี่เป็นพวกเยโฮดไอพวกยโฮดก็บอกว่าก็น้อยใจเหมือนกันอิฉาไม่ไดน้อยใจอิจฉาเหมือนกันว่ากูอ่านเป็นภาษาอาหรับทำให้ไม่เป็นคัมภีร์เหมือนที่มาก่อนหน้านี้อาหรับเองที่ไม่รับพวกนี้ก็ทําไมแหละก่อนหน้านี้นฉันก็ไม่ได้เตารอนไม่ได้อินจีนดูนะเอเลอร์จึงบอกว่าและจากพระภู้อวยพรของเจ้าดังนั้น ใครเล่าคือผู้อาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ปฏิเสธบรรดาอายะของอัลลอมลละมูมิมันกะザกะザบะบิอายะติลแปลว่าอะไรแปลว่าอธรรมตรงนี้ก็หมายถึงความผิดนะความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความผิดของการปฏิเสธอันกุรานซึ่งแน่นอนว่าถ้าปฏิเสธกุรานเนี่ยเพียงแค่อายะเดียว หรือวัดเดียวก็ถือว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วมุสลิมนี่ไม่มีการบอกว่าอ๋ออาย่านี้ฉันไม่รับนะอาย่านี้รับไม่ได้ต้องรับทั้งหมดเพราะนี่คือกุฎา น, น์นี่คือกุรฎานที่ปราศ จ, จากข้อสงสัยใดๆแล้วเป็นหลักฐานเขาเรียกว่ากฏใจชัดเจนนะยังฮะดิษนี่ต้องมาตรวจสอายรายงานว่าซ้อไม่ซ้อแต่ถ้ากุรอาณ์นี่จบเป็นตวาติตทั้งหมดคือสายรายงานที่ต่อเนื่องกันมาทั้งหมด มีคนท่องจําจํานวนมากในแต่ละซูรอในแต่ละวักในแต่ละอายะทุวันนี้มีฮาฟิตีคนล่ะเป็นล้านล้านเลยผมว่านะเออหลายล้านคนนะซึ่งแน่นอนว่ามาจะมาปฏิเสธว่าอันนี้ไม่ใช่กุฎอ่านไม่ได้ถ้าเป็นกุฎอ่านอย่างแน่นอนเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ด้วยแก้ไขก็ไม่ได้นะนั้นถือว่าเป็นเป็นบาปที่ถือว่าถึงขั้นกาเฟตนะ่ะกูฟดเลย นะอัลลอฮ์เลผิหลังให้กับอายะเหล่านั้นปฏิเสธไม่พอไม่รับด้วยหันหลังเลยไม่เอาอัลล์บอกว่าไง s ย y y a j i aladina y ส s d i f o o n sayyaji aladina y a s ู i อ o o n an เราจะตอบแทนแกบรรดาผู้ที่ผินหลังให้แกบอาญาต่างๆของเราด้วยกับการลงโทษซู้ตอนนี้ก็หมายถึงเลวร้ายสู้ในแปลว่าสิ่งที่เลวร้ายอาดาบก็แปลว่าการลงโทษที่เลวร้ายบีมาการูยัสติฟูในสิ่งที่พวกเขาได้หันหลังได้กับได้ผิหลังให้นะดังนั้นคนที่ทำหน้าที่ดาว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิม จุดแข็งเลยก็คือการดาวะด้วยกับกุรานคัมภีร์นี่แหละไม่ต้องไปพูดเรื่องละมงละมานเพราะว่าเขาคนคนเราเนี่จะไปสอนเรื่องละหมาดมันก็ยังไม่ใช่เพราะยังไม่ศรัทธาเอากุรานพิสูจน์ให้ได้นีเอาคุรานพิสูจน์จับผิดกุรานให้ได้บอกท้าเลยจับผิดเลยเอาคุรานไปอ่านเลยแล้วก็ดูซิว่ามันมีอะไรขัดแย้งกันอันไหนไม่จริงอันไหนตรงหามาให้ได้และก็หลายๆคนพี่น้องพอพอเข้ามาอ่านกุรานแล้วเขาจับผิดเนี่ย บางคนก็ไปว่าก่อนเลยนะมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้เพราะบางคนอ่านกูอ่านเพราะต้องการจับผิดจับผิดจับไปจับมาไปยังไงได้รับทางนําไก่คนหนึ่งที่ไม่จับเลยไม่สนเลยไก่คนนึงอ่านเพื่อจะหาข้อผิดอันไหนจะได้ทางนําง่ายกว่าคนที่อ่านและจับข้อผิดจะได้ทางนําง่ายกว่าเพราะเขากําลังทําการศึกษาไงไก่อีคนนึงวางไว้ไม่อ่านเลยไก่คนหนึ่งอ่านด้วยเนียดที่จะเอาชนะเพราะยังไงเอาชนะไม่ได้อยู่แล้วเพราะนี่คือคำพีของเนาะ แล้วล็อก็ท้าท้ายด้วยเอามาสิแต่งมาสักอาย่านึงแต่งมาสักซูร้อนหนึ่งสิจับให้ได้สิว่ามันมีอันไหนขัดแย้งกันนะดังนั้น เ, เชิญชวนคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาจับผิดกุรฎานได้เลยพร้อมนะลองดูสิว่าไหนไม่จริงตรงไหนยังไงเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่คมภีรจากมนุษย์ถ้าเป็นจากมนุษย์นะเดี๋ยวเละแน่แต่นี่คือคำภีร์ที่มาจากาพระผู้เป็นเจ้านะครับนะ อย่าผิดหลังนะครับก็พยายามศึกษาหาความรู้นะอ่ะต่อมาอายะที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล e l l ya z ตตหูมลม a ลอ t ก t อา i y ยต a ร b บบ a a อา a t ยต a บ a d ดูอ้ายตีรับบิคยาวมายตีบางดูอ t i r ต b ร i บ บีกลายาฟ้าอุนัติมาหนูฮายาุมายติดปากุเอียติลบบีกลายายาุมายติดปากุเอียติลบบีกลายมา มิกลับลูอْาَ س ก ب บัْ ف ِี إيمان นี้คอยรอแต่คุณแอ م เงียบมิกลับลَอْาَ س ก ب บ ت ْ فِي إيمان นี้คอยรอกุล ตาซีรูอินนามตาซีรูลตาซีรูอินนามตซีรูอ่ะหัวข้อนี้เป็นการเตือนสมทับคนที่ชักช้าล่าช้า เรื่องอะไรหนึ่งเรื่องที่จะศรัทธารับอิสลามนะคือหลายๆคนที่เป็นว่นรับบางครั้งที่ยังไม่ได้รับอิสลามเนี่ยพราะติดนั่นติดนี่ติดนูน่นมีบางคนติดเรื่องหมาลักหมามากเลี้ยงหมาพอรับอิสลามแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ดูแลด้วยอะไรหมายถึงหมามาเลี้ยงน่ารักในบรรดาเฝ้าหมาเฝ้าบ้าน อ่าสุดท้ายก็ยังรอบางคนติดติดเรื่องคู่ครองอยากจะไปด้วยกันอ่าหลายเรื่องบางทีพวกเนี้เขาจะมีบททดสอบหลายเรื่องที่มุสลิมแต่เดิมเนี่ยไม่เคยเจออยู่แล้วเพราะเรามีครอบครัวมุสลิม嘛นะแต่คนเหล่านี้เนียก่อนจะตัดสินใจได้เนี่ยมันหลายเรื่องมากเพราะมันคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาแต่นั้นแหละไอการเปลี่ยนตรงเนี้ยอัลลอฮ เอาละเตือนเอาไว้ว่าถ้ามวแต่รอกันไปรอกันมาสุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนตายก่อนดังนั้นเมื่อมั่นใจอย่าเก็ทแลว้วอย่าไปรอรับอิสลามเลยรับเลยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้อยู่ในสถานนะมุสลิมก่อนนะอะ่แต่ไม่ใช่รับแบบรับไปงั้นนะรับเพราะ เก่งใจอย่างเงี้ยไม่ได้รับเพราะเก่งใจอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้ศรัทธาจริงไม่ส้อหรอกไอการรับอิสลามแบบเนี้ยต้องรับด้วยกาอีมานแต่ความกลัวเนี่ยกังวลน่ยมันมีอยู่แล้วนะแต่เมื่อใดที่เรามั่นใจกับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะคลี่คลายปัญหาให้ทั้งหมดแต่ถ้าเรายังไม่กลัวอัลลอฮ์จริงปัญหาก็จะเยอะไปหมดอันนี้ก็เหมือนกับวิถีชีวิตของมุสลิมเรานั่นแหละกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวนั่นกลัวไปหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวไม่กลัวอัลลอฮ์อืม แต่กัวเอาล้สักอย่างเนะี่ยทุกอย่างไม่มีปัญหาเนี่ยเอาล้อจะขี่ขายให้เอาล้จะช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับคนที่กำลังลังเลในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจก็อย่าได้รอคอยประวิงเวลาเอาล้บอกว่าฮาเยนซูรูเนะี่ยพวกเขาไม่ได้รอคอยอะไรเลย อ, อิลาเว้นแต่หนึ่งอันตะตีฮุมุนมาลาอีกะนอกจากการ ที่มาลิกาเนี่ยจะมายังพวกเขาซึ่งดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นในวันกริยาไหมมาลิกาที่จะมานี่นะคือเกิดขึ้นในวันกริยาไหมาอ่าต่ออาอยะติยาลบบูกาหรือ <c oughs> <c oughs> การที่พระผู้อภิบาลของเจ้าเนี่ยจะมาน่าหรือ วันที่เอายะติยาบาดูอาติรบิกหรือวันที่สัญญาณบางอย่างแห่งพระผู้อภิบาลของผู้เจ้านั้นมาอ่ะอันนี้นะมีสองอย่างที่สายไปหนึ่งมาริกามาก็อีกอันหนึ่งความหมายก็คือมาริกามาเก็บวิญญาณมาริการเนี่ยเวลาเราเราตายเองไม่ได้นะจะมีมาริกามาเก็บวิญญาณถ้าวันไหนว่ามาริกามาเก็บวิญญาณแล้วดึงวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกนี่การ น, นี้หมดสิทธิ์แล้ว ตบัดตัวไม่ได้แล้วจะมากล่าวชาฮดาตรงนั้นไม่ทันแล้วอันที่สองไปเจออัลลอฮ์ก็ตอนไหนล่ะตอนวันกิยามะที่ไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปถูกสอบสวนอันที่สามหรือสิ่งที่เป็นสัญญาณบางอย่างแห่งพระผัวพภิบาลนะ เยาไมายะทีเยาไมายะีบะดูอายารบบิกลลยฟอุนสนอีมานฮาวันที่สัญญาณบางอย่างแห่งพระพุทบาลมาของเจ้าเนี่ยมานั้นเนวันนั้นจะไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่เขาจะสัทธาวันไหนวันไหนที่ก่าวชหะดะเอาล็อกไม่รับเลีว้ววันไหนวันที่ดวงอาทิตย์ จากที่เคยขึ้นตามปกติทิศ ต, ตะวันออกกลายเป็นดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกดวงอาทิตย์ขึ้นผิดที่ผิดทิศเมื่อไหร่ปับ๊บแปลว่าทุกเช้าที่เราตื่นมาแล้วดวงอาทิตย์ยังขึ้นตะวันออกในประตูตาวาดยังเปิดอยู่แต่ถ้าวันไหนตื่นขึ้นมาแล้วก็ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทางนั้นแล้วนะมาขึ้นอีกทิศหนึ่งก็เรียบร้อยจบละจะก่าวอีหมาอย่างไรเอาล้อบอกเลยว่าไม่ทันเล็ ว, น, วนะนั้น ก่อนจะนอนเนี่ยตบัดตัวก่อนอัสตอฟิรุลรอขอพายโทษเพราะไม่รู้ว่าคืนนี้ดวงทิตมันจะขึ้นทางไหนนะอันนี้อัลอเล่าเป็พันสีร้อยปีนะอก็มีฮะดิสมาอธิบายต่อและตากูมุสสาวันสิ้นโลกจะไม่เกิดขึ้นฮัตตาตาตาลาอุชามซูมินมะกริบีฮาจนกว่าดวงอาทิตย์นั้นมันจะไปขึ้นจากทิศ ต, ตะวันตก นะไฟอีละรอาหันนสุอามอามะมันอาลฮะแล้วมนุษย์ได้เห็นสัญญาณ น, นั้นพวกเขาขนาะนั้นก็จะสัทธาทันทีเลยเชื่อขึ้นมาสันทีเลยสัทธาซึ่งวันดังกล่าวนั้นอัลลอฮบอกว่าไงลยันฟอูนับซันีมาヌฮาไม่มีประโยชน์แล้วในการที่เขาจะมาอีมานนะตอนนั้นเพราะมันสายไปแล้วลำตะกุลอามานัตมินกอบ ทำไมล่ะไอ้ก่อนหน้านี้อัลลอฮ์เตือนมาตั้งเยอะแยะแล้วแล้วทําไมไม่ศรัทธารอจนกระทั่งหมดเวลาแล้วค่อยค่อยมาศรัทธานะอย่าดิสหนึ่งบอกว่าสามสรายงานสามอย่างนี้เสริมจากในกุฎานด้วยนะมาส่งมาเสริมกันก็คือว่ามีสามอย่างที่คนที่จะอีมานหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่มีประโยชน์ละหนึ่งดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันตกอันที่สองดัจจานปรากฏถ้าดัจจานปรากฏตัวกระจบทรงกัน อันที่สามดา บ, บะตรงเนี้ยเขาแปลว่าสัตว์สัตวไม่รู้ฉันก็ไม่รู้สัตอะสัตว์ประหลาดเขาเขียนอย่างงี้นะดา บ, บะถ้าดา บ, บะตามภาษาอัศวิศริสัตเลื้อยคานอพี่น้องก็อย่าไปจินตนาการมันนะมันก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นนั่นแหละประหลาด อ, ะอ่ะอันนี้ฉันก็ไม่ได้เรียนมาถึงขนาดนี้มันพูดกับคนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณวันเกียยมันจะมีดา บ, บะมีสัตว์ ชนิดหนึ่งออกมาประหลาดมากนะมันอาจจะมีรายละเอียดแหละในฮัดิสนะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอ่านในรายละเอียดตรงนี้อีกอันหนึง่งในกุอานบอกต่อนะลำตะกุลอามานัตในกุฎานบอกว่าไงซึ่งการศรัทธาของเขาเนี่ยมินกอบบาลูโดยเขาไม่ได้ศรัทธามาก่อนนะถ้าศรัทธามาแล้วไม่นับคือมาศรัทธาเมื่อเห็นสัญญาณแล้วอันนี้ไม่ได้ ต้องศรัทธามาก่อนเอากระแส บ, บัซ ฟ, ฟีอีมานนฮาคอยรอหรือไม่ได้แสวงหาความดีไว้เลยจากการศรัทธาของเขาจะมาทำความดีหลังจะเห็นดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศแล้วเนี่ยไ ม, ม่ประโยชน์แล้วหโห و, ละหมาดอย่างดีเลยกอดอหมดเลยนะไอที่ขาดละหมาดมาในนั่งกอดอยืนแล้วจบแล้ววันนั้นอลัลลอ์ไม่รับแล้วจงกล่าวเถอมูฮัมมัดว่าและพวกเจ้าจะรอกันเถิด จ, จะรอกันเถิดนะ พวกเจ้าเนี่ยจงรอกันเถิดไปอันนี้เหมือนเป็นการอะไรนะถ้าพูดยังไงกับประชดชนิดนึ่งอะนะอรอไปสิอย่าจะรอรอไปแต่ถ้าเกิดวันไหนเกิดอลัลลอฮ์เก็บเรียบร้อยเนี่ยจบเลยนะอ่าอยากจะอาไม่มีโอกาสแล้วสมมติเอาเอาเอาให้เต็มที่เอาชั่วให้เต็มที่วันไหนมึงตายมาเดี๋ยวก็รู้อ่าจริงๆไม่อยากให้ทําชั่วรออยากจะให้กลับตัวแต่บางทีแหม่มันเห็นแล้วก็เออมันก็อดไม่ได้ที่จะ ตเตือนกันนะนะบางทีก็เห็นความชั่วที่มันเห็นอยู่เอาต่อมาแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้ที่รอคอยแปลว่าอะไรมุสลิมก็รอคอยเหมือนกันรอคอยทำไมอ่ะรอคอยที่ได้รับการตอบแทนความดีนะรอคอยสัญญานี้เพราะเราเชื่อว่าอันนี้จะเกิดขึ้นมีฮะดิษบทนึงค่อนข้างจะยาวแต่ว่ามีประโยชน์นะเกี่ยวกับเรื่องดวงอาทิตย์อิหม่ามอัมมัดได้ไรายงานอัมอิบนุจารีตเล่าว่ามีมุสลิมสามคน ไปนั่งกับมารวานที่เมืองมาดีนะมารวานบินหกักรมแลี้ยพวกเขาก็ได้ฟังมารวานเล่าถึงสัญญาณต่างๆโดยเขาก่าวว่าแท้จริงสัญญาณแรกก็คือดัจจานผู้เล่าได้เล่าว่าทั้งสามคนนั้นได้ออกไปที่อับดุลลออิมนุอัมรอับดุลลออิมนูอัมดอสัสนี่เป็นซอบาอานาบีมารวานเนี่ยไม่ใช่มารวานเป็นผู้ปกครอง และพวกเขาก็ได้เล่าให้ฟังตามที่มารวานกล่าวเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆและพวกเขาก็คืออับดุลลอห์และเขาคืออับดุลลอห์อิมนออินออัมอินออับดุลลอห์อิมนออัมอิมเนอาสรอดิยัลลอฮของอันหุมาก็ได้เล่าว่ามารวานมิได้พูดในสิ่งใดตามที่ฉันได้จดจำมาจากท่านรอซูลสลัดลอฮ์อันาล่ววานงตัลสลัมคือเวลาเขาศึกษาศาสนากันสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องคนที่อันดับหนึ่งที่จะได ผู้นำนี่ก็ได้นะแต่ยังไม่สู่กับคนที่เป็นซอบาหนาบีเพราะอะไรแต่เพราะซอบาน์นาบีในเรียนกับนาบีก็เลยมาถามอับดุลราะอุมดุมอัสต่อมัดวานพูดแต่ถูกแล้วแหละแต่มาถามไม่ชัดเจนอีกมัดวานก็บอก อ, อับดุลราะก็บอกว่าที่มัดวานพูดนะี่ยไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เป็นอื่นเลยก็มาจากที่ฉันจํามาจากท่านนาบีแหละว่ายัางไงว่าแท้จริงสัญญาณแรกที่ออกมาคือดวงอาทิตย์ ไม่ใช่ไม่ใช่นักดานนะดวงอาทิตย์ที่จะขึ้นมาเขาได้ให้เกียรติผู้นําหน่อยอย่าไปไปหักผู้นํามันมีสามอย่างใช่ไหมแต่สิ่งได้ก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากทางทิศ ต, ตะวันตกและก็มีสัตว์ประหลาดออกมาในตอนสายดวงทิตย์ขึ้นก่อนปุ๊บสัตว์ประหลาดปรากฏออกมาเลยและสิ่งและสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากทั้งสองก็จะปรากฏขึ้นมา ก่อนที่อีกสิ่งหนึ่งจะมาตามมาที่หลังตามมาทันทีหลังจากนั้นอับดุลลอห์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคำพีกลาวว่าฉันคิดว่าสิ่งแรกที่จะปรากฏออกมาคือดวงอาทิตย์ที่จะขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกดังกล่าวนั้นเพราะว่าดวงอาทิตย์ทุกครั้งที่มันตกเนี่ยมันจะมาอยู่ใต้บันลังของลอห์ก็แน่นอนว่าอาลัลลอฮ์นี่สูงที่สุดแหละอาลู ที่เหลือเนี่ยมันขลุ่ยอยู่ใต้ทั้งหมดนะเดี๋ยวพูดเรื่องทงเรื่องทิดอะไรกันนะเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆนี้เอาต่ อ, อ่านตามนี้เลยนะมันจะมาอยู่ใต้บรรลังขอล้อดวทิดเวลามันตกไปแล้วมันก็จะก้มลงสุ่อยู่ต่อรอดวงทยิดแต่มันก้มสู่อยู่ต่อรอขออนุญาตอัลลอฮ์กลับไปขึ้นทิดทิศอีกทิศหนึง่งก็มันวนใช่ไหมล่ะก็ขึ้นไปขึ้นไปทิศห น, นึง่งแล้ว พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้มันกลับไปอันนี้ตามฮะดิษบอกนะจนกระทั่งเมื่อพระองค์จะให้มันปรากฏทางทิศตะวันตกมันก็จะทําอย่างที่เคยทําคือมาอยู่ใต้บันลังของลอแล้วก็ก้มสุยูดและก็ขออนุญาตกลับไปแต่อัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับสิ่งใดจากมันหลังจากนั้นมันก็ขออนุญาตกลับไปอีกก็ไม่มีการตอบรับจากอัลลอฮ์อีก จนกระทั่งเวลากลางคืนผ่านไปพระองค์ทรงประสงค์มันก็ไม่ได้รับไม่ได้อนุญาตไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาทางทิศ ท, ที่มันเคยกลับอยู่มันก็จะไม่ทันเวลาจะขึ้นแล้วนะมันก็ได้กล่าวว่าโอ้อภิพ โ, โอ้พระผู้อวิบาลนของฉันทิศตะวันออกมันช่างเป็นระยะที่ใกล้ระหว่างฉันกับผู้คนมากที่สุดจนกระทั่งขอฟ้ากลายเป็นเสมือนคอเสื้อและคอปก ฉันจึงของอนุญาตกลับไปอีกแล้วก็มีเสียงแก่แกล่าวแก่ดวัวทิดว่าเจ้าจงกลับไปขึ้นในอีกที่หนึ่งที่เจ้าตกลงมาก็ขึ้นสวนไปเลยนะและอับดุลลอฮ์ก็อ่านอายาเนี้ว่าลายันฟาอนับซันีมานูฮ่าลัมตะกุนอามานัซมินกอบลนะอันนี้ก็คือเรื่องที่เล่าไว้ในหะดีสบันทึกโดยมัมมัมัดและมุสลิมก็ได้นำเสนออะดิสนี้ในซอฮีอาของเขาด้วยอบูุดาวุฒ ด, ด้วยอิมนุมานจาด้วย อ่าดันั้นดวงอาทิตย์เนี่ยมันสูญอยูต่ต่อลรอดทุกครั้งนะแล้วมันก็ขออนุ ญ, ญาตเอาลอดทุกครั้งเลยในการขึ้นแต่ละวันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเอาลอดไม่ตอบรับมันก็เลยมาขึ้นอีกที่นึงแต่อจริงเรื่องมัร์คอลูคทาอิบาดาต่อรอดเนี่ยมีเยอะนะเงาของต้นไม้ก็สูญอยูต่ต่อรอดภูเขามันสรนเสริญแซ่ซ้องสรดุดีแต่อันเนี้ยมันเกินกว่าที่มนุษย์จะรับรู้ได้หินทุกก้อน เนี่ยคนที่ไปกล่าวตันบียเนี่ยรับใบก็ลอหงมารับใบมีฮันดิษบอกว่าผ่านไปไหนเสียงไปไหนเนี่ยทุกเสียงเนี่ยกล่าวตอบรับดูอาตอบรับหมดเลยแต่เราไม่ได้ยินนะเราอยู่ในรถบัสก็กล่าวไปสิแต่บก่อนเขากล่าวข้างนอกใช่ไหมเออะต่อมาครับอายะที่ร้อยห้าสิบเก้า ال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا ل َ أست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يُنَبِّئُهم بما كانوا يفعلون มาดูนะอินนั่นเดีแท้จริงบรรดาฟรรัดรอกูแบง่งแยกศาสนาของพวกเขาวากานูชิยันทําให้เป็นนิกายต่างๆหรือกลุ่มต่างๆคือไอ้นิกายที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ย ม, มั่วเท่านั้นแหละพี่น้องคือไปตั้งขึ้นมาแล้วก็แต่จริงศาสนาของศาสนาที่แท้จริงเนี่ย มันมีอันเดียวมันไม่มีแบบสาขาสองสาขาหนึ่งอะไรอย่างเนี่ยนะมาแยกออกไปนะแต่กลุ่มถ้าตั้งกลุ่มขึ้นจากคำนิยามการทำงานศาสนานี่เรื่องหนึง่งศาสนาเหมือนกันนะแต่ตั้งกลุ่มมาเพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศารราไม่ได้ตั้งนิกายออกมาเล้ยวก็ทำในเรื่องที่บิดเบือนหลักการศาสนาอันเนี้ยนั่นแหละที่เราห้าม อะเข้าใจไหมเคยมันไม่ใช่กลุ่มตั้งขึ้นมาเพื่อทําทํางานศาสนาอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งนิกายขึ้นมารู้สึกว่าเอออันนี้มันดูแล้วมันมันมันตรงไปเราต้องเอาทางโลกมาผสมด้วยไปตั้งอิสลามยุคใหม่แนวใหม่อิสลามทันสมัยเอออันนี้ไม่ได้นี่มั่วมีนะเดี๋ยว น, น, นี้มีตั้งอิสลามทันสมัยเออ ร, รเอรับได้กระเทยรับได้ตุ๊ดรับได้อะไรเงี้ยนะเออไปตั้ง อย่างไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามทําให้ศาสนาแตกแยกแต่ถ้าเราจะไปทําผิดก็ไม่ต้องไปอ้างศาสนาเราก็บอกเราเรามันแ ย, ย่เรามันบุรีว่าไปส่วนตัวไปแต่อย่าไปอ้างเรื่องศาสนาแล้วก็ไปตั้งนิกายนัดที่ขึ้นมานะเราตําหนิตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเนี่ยตั้งแต่สมัยยังยังไม่ได้อยู่มาดีนนะเลยเนี่ยตั้งแต่มะ ก, การเลยฟีชายอินนีมาอัมรูฮุมอิลลอหเพราะว่าออไง เจ้าจงกล่าวเถอะโมหะหาช่อยู่ที่วกเขาแต่อย่างใดไม่แปลว่าไม่ที่อยู่ที่คนที่จะมาตั้งลัทธินิกายความเชื่อใหม่แต่มันคือคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ต่าหากเอหาใช่อยู่ในวกเขาแต่อย่างอย่างใดไม่ตรงนี้หมายความว่าไงยานหนึ่งความหมายนี่หมายถึงว่านบมีโมฮัมมัดเนี่ยไม่ได้อยู่ใน ความคิดของพวกนี้ที่จะมาแต่งตั้งคือเหมือนก็ว่าจะเอาอิสลามเนี่ยมารวมมาผสมปนเปอ่าเหมือนกับเคยเสนอใช่ไหมกับอับอับอ่ากับอับดุลมุตตอนอ่ากับท่านอบูตอเลฟว่าสามสองปีเป็นมุสลิมอีกสองปีเดี๋ยวกับม า, จาเจวิตต่ออะไรเงี้ยผสมกันสลับกั น, กนอย่าเป็นอิสลามอยู่นะแต่เป็นอิสลามแบบสลับกันอย่างงี้ไม่ได้นะ นบีมูฮัมหมัดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนที่พยายามแบ่งแยกศาสนาเพราะศาสนาที่นบีนามาคือศาสนาเดียวเนี่ยศาสนาที่ จ, จ้าอัลลอฮ์ซุ่มมาอยูน่น บ, บีอูฮุมบีมาการูยะฟาลูนแท้จริงเรื่องราวของเขานั้นย่อมกลับไปสู่อัลลอ์แล้วพระองค์ก็จะทรงแจ้งให้พวกเขาทราบในสิ่งที่เขาได้เคยกระทำเอาไว้คำถามต่อมาว่านบีอีซานบีมูซาเนี่ย นบี yourself, นบน you, นบน Christ, มูซาสอนให้เป็นยิวนบี Fro <ift> อีสซาสอนให้เป็นคริสต์จริงไหมไม่จริงนบีมูซาก็สอนเป็นมุสลิมนั่นแหละนบีอีซาก็สอนเป็นมุสลิมแหละแต่ศาสนาที่มันมาเพี้ยนเพราะว่าไอ้คนมันมาสังขยานามันมาแก้คัำพีมันเอาอารมณ์ของมันใส่เข้าไปนบี <S <S <S มูซาไม่ได้สอนให้เป็น Hat ยะฮูดเป็นศาสนายะฮูดนบีอิซาไม่ได้สอนให้เป็นศาสนาคริสตทุกนบีสอนให้เป็นมุสลิมให้กราบไหว้อัลลอฮ์สุบฮานาหุวาตาลาเพียงพระองค์เดียว ดังที่ฮะดีษบอกว่า น, นะนูมาชิรลัลอัมบิยะอัลอาลาดูอัลแลตินดีนุนาวา่าฮิตพวกเรานาบีทั้งหลายเนี่ยเสมือนกับพี่น้องร่วมบิดาเข้าใจไหมพี่น้องร่วมบิดานาบีเนี่ยเหมือนกับพี่น้องร่วมบิดาคือคนละแม่แต่ความเป็นพี่น้องเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนฉันเนี่ยมีลูกคนละแม่ แต่พ่อเนี่ยคนเดียวกันเวลาจ่ายสตังจ่ายเหมือนกันเข้าใจยังเออเนี่ยยกตัวอยา่างง่ายๆเหมือนกันเวลาเสียตังเสียเหมือนกันพอพ่อดูแลทั้งหมดจะ ก, กี่แม่ก็ดูแลเหมือนกันหมดเอาไหวไม่ไหวแล้วจ้ะแย่จ้ะแค่สองนี่คือแย่หากินตัวเป็นเกี๊ยวแล้วจ oh. ้ะเออเนี่ยตัวเป็นเกี๊ยวหัวเป็นน็อตแล้วอ้าว นบีอ่ะเปรียบเสมือนพี่น้องคนละแม่แต่พ่อเป็นไงคนเดียวกันและพ่อเดียวกันเนี่ยถือว่ามันใกล้มากนะมันแทบจะเป็นพี่น้องกันนั่นแหละแต่คนละพ่อนี่ห่างนะคนละพ่อนี่ห่างบอกก่อนคนละพ่อนี่ห่างนะแต่พี่น้องร่วมแม่แต่คนละพ่อแต่ถ้าพ่อเดียวกันเนี่ยนี่ใกล้กว่านะเห็นหมดังนั้น ความแตกต่างมีเล็กน้อยแตกต่างเรื่องอะไรเรื่องชรีอะเรื่องละหมาดอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรื่องอากีด้าเหมือนกันทั้งหมดดังนั้นศาสนาไม่มีนิกายน่ะไอ้ที่มันมีนิกายออกไปอันนี้มนุษย์ทำทั้งนั้นแหละอัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้มีนิกายยันบอกว่านิกายของฉันก็มาจากอัลลอฮ์นิกายนี้ก็มาจากอัลลอฮ์มันมั่วแล้วมันต้องมีสักอันนึงที่มาจากอัลลอฮ์อีกอันนึงไม่ใช่ ถ้าบอกเนี่ยอิสลามเราเนี่ยอ๋อมีมีมีนิกาย อ, อ, อีกอันหนึ่งนะชีอันหนึ่งแล้วก็ซุนอีกอันหนึ่ง <c oughs> แล้วบอกอ๋ออันนี้ทั้งคู่เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอันนี้ไม่ใช่หรอกมันต้องมีมาจากอัลลอฮ์อันเดียวเลยอีกอันนึงไม่ใช่แอนคนมันมาทําให้ให้เป็นนิกายอัลลอฮ์ไม่ได้ให้มีนิกายเลยศาสนาเดียวเลยตามกีตาบุญลอตามซุนนะนบีแล้วก็พอไปแล้วว่านาบีฉีดเส้นไว้แล้วทางที่ที่ถูกต้อง อ่าต่อมาร้อยหกสิบอนอาญานี้ให้กำลังใจทำคนทำความดีมะเจอบิลฮะซาตีฟะลาฮูอัลชอรุอัมซาลิฮา وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا ي ُ ج َْ ز َ إِلَّا مِثْلَهَا ผู้ใดที่นำความดีมาเขาจะได้รับสิบเท่าของความดีนั้นอันนี้คือเบื้องต้นนะทำหนึ่งได้สิบอันนี้อยู่ในกุรานเลยและคาดิสกามอธิบายต่อด้วยตั้งใจทำความดีและลงมือปฏิบัติ เนียดทำดีแล้วก็ลงมือปฏิบัติอัลลอฮ์ให้สิบความดีสิบเท่าว่ามันจะอบิสัยและผู้ใดที่นํามาซึ่งความชั่วจะไม่มีการตอบแทนนอกจากความชั่วนั้นแปลว่าอะไรจะไม่มีการทวีคูณความชั่วนี่ไม่ทวีไม่ไม่เบิ้ลเหมือนเหมือนความดีอัลลอฮ์ก็จะบันทึกความชั่วตามที่ได้ทําไม่ใช่ทําชั่วทำหนึ่งได้สิบแต่ความชั่วเนี่ยมันจะมี ชั่วชั่วธรรมดากับชั่วมากมากก็คือบาปเล็กบาปใหญ่ไอบาปเล็กบาปใหญ่ที่เอาละได้จําแนกเอาไว้เนี่ยเวลาที่เป็นบาปเล็กมันจะหลุดด้วยกับการทําอามันแต่ถ้าบาปใหญ่ไม่หลุดแต่จะหลุดด้วย ก, การเตาบัดตัวแล้วก็การได้ฮัดจุนมาบรู้ถ้าได้ฮัดจุนมาบรู้นี่เอาละเคลียเลยล้างเลยหมดฮัดที่ตัวรับครวนี้มีหะ ด, ดิษพูดเอาไว้นะ ว่าการละทิ้งความชั่วเนี่ยมีอยู่สามอย่างการลิการทิ้งความชั่วที่ได้ความได้รับความดีเนี่ยก็คือเขาละทิ้งมันเพื่ออัลลอฮอย่างนี้แหละอัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้หนึ่งความดีล ะ, ละทิ้งนะยังไม่ได้ไปทำนะอย่าสมมติคิดว่าจะทาชั่ว อ่าไม่ต้องแล้วะเราเราได้เรื่องมาเรื่องหนึ่งคันปากมากเลยอยากจะนินทานี่ไอ้โตคูนี่อยากนินทามันคันปากคิดไว้แล้วเดี๋ยวไปเจอไอ้คนนี้แนหะเขาชอบฟังเขาเป็นเป็นผู้ฟังที่ดีเขาไม่ขัดอะไรเลยเขาฟังดีมากแล้วเขามีอารมณ์ร่วมด้วยเรานินทามันดีก็ไปเลยพอถึงปั๊บนินทาอาจะไปนินทาโอ้โหได้ยินเสียงกุอานอะาจารยณตีมอ่านเมียว่ากลัวบาปเปลี่ยนใจได้รับและความดีหนึ่ง แต่ว่าไม่ใช่ให้เราคิดทำความชั่วนะคือไอความชั่วเนี่ยมันออกมาจากอีมาที่อ่อนของเราเร า, เราอยากแล้วเราก็คิดจะไปทำอันที่สองอันเนี้ยไม่ได้บุญคือตั้งใจจะทำความชั่วแล้วแต่มาถึงเวลาลืมกะจะไปนินทารแต่กูลืมเรื่องว่ะรายงานไม่ดีเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเล่าแล้วไม่ชัวร์ก็เลยลืมลืมก็เลยไม่ได้ไปเล่าอันเนี้ยไม่ได้บุญหรอก เดี๋ยวนึกขึ้นมาได้เมื่อไรเสร็จเลยอันที่สามเนี่ยผมเพิ่งเจอว่าบางครั้งทิ้งความชั่วเพราะความอ่อนแอเนี่ยอันเนี้ยบางครั้งได้บาปด้วยทิ้งความชั่วจากความอ่อนแอบางครั้งได้บาปตัวอย่างในฮะดิษบทหนึง่งอีดาตักอนมุสลิมานบิไซไ ฟ, ฟฮีมามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทะเลาะกันแล้วเขาท้าดวลกัน ไปนี่ไม่เกี่ยวสงครามนะเกิดหมันไส้เหม็นขี้หน้ากันเฮ้ยมึงเจอกูหลังร้านสมมุติด่าบนคนละเล่มไล่ฟันกันปรากฏว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยก่อตินฆ่าอีกคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งถูกฆ่านบีบอกว่าทั้งคนฆ่าเขาคนที่ถูกฆ่าเนี่ยอยู่ในนรกทั้งคู่เลยเอา้าซาบถามกอลูยารอสุลลอฮะ า, ากอตินฟะมาบาล ไอ้คนฆ่าเขาเน่ยเขา ใ, ใจเพราะมันไปฆ่าเขาก็ตกก้งตกนรกเล่ยคนถูกฆ่าทำไมตกนรกด้วยล่ะก็ละอินนาฮูกานะฮาริซอนอาะแล้วก็เอซอฮิบฮไอ้คนที่ถูกฆ่าเนะ่ถ้ามันสบโอกาสเมื่อไหร่มันก็ฆ่าเขาเหมือนกันไอการทิ้งความชั่วแบบเนี้ยเพราะเพราะอ่อนเอกว่าสู้เขาไม่ได้ตกนรกเหมือนกันนะเออดังนั้นไม่ได้หมายความว่าคนทิ้งคนที่ไม่ คนที่ไปถูกฆ่าเนี่ยจะได้บุญไม่ใช่กระแก้ก็จองจะฆ่าเขาเหมือนกันแต่มันแพ้มันสู้ไม่ได้เอาล้อลงโทษเหมือนกันเลยเนี่ยคืออีกข้อหนึ่งที่ไม่ได้ฆ่าเขาก็จริงถูกฆ่าตายแต่ลงนรกทั้งคู่เลยเพราะเจตนาจะไปฆ่าเขาทั้งคู่นั่นแหลนะนออริีหนึงบอกว่าใครอยากจะบวชทั้งปีไมได้ผลลบุญบวชทั้งปีบางคนบอกก็บววันอะไรนะอะไรนะเดินชาววาน มีอันนึงได้บวชทั้งปีมันซอมาหฮะดิษนี้นะใครที่ถือสิณอดซาลาซาตาไยามินใครที่ถือสิณอดสามวันมินกุนลิชารินในทุกๆเดือนนะฟาก็จะซอมาดะกาดาห ก, กุลล่ะเท่ากับเขาถือสิณอดตลอดทั้งปีก็ลองคูณดูสิสามสามวันใช่ไหมสามคูนสิบสองสามสิบหก ก็เท่ากับสามร้อยหกสิบวันก็ถึงปีอ่าถือที่เดือ น, อนละวันอะไรนะสามวันตรงนี้ก็หมายถึงอายามุนเนะสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าถ้าทำทุกครั้งเลยเท่ากับบวชทั้งปีแต่รอมาดอนเนี่ยอันนี้ทำสามวันไม่ได้นะรมะมาดอนทำทั้งเดือนแต่ถ้าพูานอกรอมาดอนทำด้วยอีกสามวันเนี่ยน่าดีที่ได้ทั้งปี ก็ได้ทั้งปีไงก็ลองคูณเอาิเอาคูณกับแต่ละเดือนก็ได้มาสามรอหกสิบวันอ่าหนึ่งได้สิบไงก็เหมือนกับไอ้หกวันนั่นแหละก็บวดมาแล้วรอรมะดอนสามสิบวันก็สามร้อยบวชหกวันก็สามร้อยหกสิบอได้ได้ได้ได้บิลสองอย่างนะทำไม่นั่นก็ได้หนึ่งปีหรือบวชทุกเดือนเลยเดือนละสามวันอายามุลเบิดก็ได้ทั้งปีอ่าแต่จันทรหรัสเราก็ได้เยอะอยู่แล้วจันทรหรัสโ้ผลบุญเยอะ มีแต่สวรรค์อย่างเดียวดูท่าแล้วแต่อลอสบอกว่านารกอย่าหันนำอย่างเต็มเลยนะอย่างล้นเลยฟังแบบนี้เหมือนจะไปสวรรค์แต่แต่หันนำเนี่อย่างยังเต็มเลยใส่ไม่พอนะ่ะนะอา้าวอ่านต่อนะเดี๋ยวอ่านสามอายะเลยกุลินนันีฮาเดนีอรอ ไปอีลาสิรัติมุขตั้ง ดินาขิยมะมินละตาอิบรอฮีมะฮานิฟ ل َّ ة า إ ِ ب ْ ر َ ا ه ละตَอَบร ي ف ًม و َ م น ا ฟَ ا ن ม م ก ن นามْนั ش มุชริก ن َ قل إن صلاتي و ن ِ ي ومحياي و م, يا يا و م, م َ م ا ت ي لله رب العالمين לא شريك له و بذالك أمرت و أ ن อ่ะมาดูความหมายนะจงกล่าวเถอะมูฮัมมัด ว่าแท้จริงฉันนั้นอินนนีฮาดานีแท้จริงฉันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็คือพระผู้อภิบาลของฉันเนี่ยได้ฮาดานีแปลว่าอะไรแนะนำฉันรบบีอีลาซิรอติมุสต์ตีมไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงนบีกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ ว่าตัวของท่านนาบีเองที่อยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงเนี่ยก็มาจากการแนะนําชี้นําของใครขอรลอไม่ได้มาจากนาบีคิดเองเออเองเอออันนี้มันน่าจะดีนะแล้วก็มาลองผิดลองถูกไม่ใช่ตัวท่านนาบีเองก็ได้รับคําชี้นําแนะนําจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเหมือนกันนั่นแหละวันนี้เนี่ยเราอย่าทนองตนว่าเราเนี่ยแจวว่าเราเนี่ย ดีเด่นเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยด้วยกับพระประสงค์ของลอและเอาลอก็ชี้ทางนำเราต้องขอบคุณ Allah. อัลลอฮ์แอนั้นไอความดีมันจะกลายไม่ดีเพราะอะไรเพราะเอามาอวดนี่แหละมันก็ไม่ดีนะนั้นที่เราดีได้ก็เพราะอัลลอ์เนี่ยได้ให้ฮีดายะทางนำแกเรายิ่งต้องขอบคุณอัลลอ์ให้เยอะดีนั้นเป็นแนวทางหรือเป็นศาสนาดีนเนี่ยแปลว่าอะไร แปลว่าแนวทางกันด้ศา ส, สนาก็ไดลหนทางเพราะว่าศาสนาไอคำว่าดีนตรงนี้ก็หมายถึงสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติอยู่แนวทางที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คือศาสนาอิสลามเนี่ยเกี้ยมันเป็นอะไรเป็นแนวทางที่ใยจริงศา ส, สนาที่เกี้ยมันขอโทษทิเป็นศาสนาที่เป็นผู้ที่ใยหาจริ ไฟหาความจริงเออดีนั่นเป็นแนวทางของอิบรอฮีมเกียรมันก็หมายถึงทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นศาสนาที่เน้นแต่หลักทำคำสอนแต่ไม่ได้เน้นสู่การปฏิบัติศา ส, สนาอิสลามเนี่ยเน้นทั้งคุณธรรมที่เริ่มต้นแล้วก็คุณธรรมที่แสดงออกเออเห็นไหมมิลแล้วตะ เป็นอะไรเป็นแนวทางของนบีอิบราฮีมฮานีฟาฮานีฟาแปลว่าบริสุทธิ์หรือแปลว่าใฝ่หาความจริงก็ได้นะซึ่งนบีอิบราฮิมเนี่ยจะไม่มีการกราบไหว้จเจวิตแนวทางนาบีอิบราฮิมนะนะซึ่งตอนนั้นเนะี่ยศาสนาที่หลงเหลืออยู่และยังเป็นยังศาสนาที่บริสุทธิ์อยู่ก็คือแนวทางของนบีอิบรอฮิมในนั้นมีจเจวิมุชลิกกราบไหว้ดวงดาว เล็กก็ฮานีฟันก็คือแนวทางของนบีบรอฮิมนะดังนั้นเวลาสละวนานนบีก็ต้องให้นบีบรอฮิมด้วยอัลลอฮ์องมุซลิยาและมุฮัมมัดวาลาอานิวะกามาซุนไลาตาและอิบรอฮิมวาลาอิบรอฮิมข้ามไปที่อิบรอฮิมเลยผ่านมูซาผ่านอีซาไปเพราะมูซาอีซาตอนนั้นคัมภีร์ถูกแก้แล้วนี่แนวทางอิบรอฮิมนี่แหละกุนอินนซาเลตี ว่ามาว่ามาอนาั้นมีแนนมุสติกีนและเขาไม่ได้อยู่ในผู้ที่ตั้งภาคีต่อหรมีอิหมัมอา ม, มัดได้รายงานนะจ่าบา้า บ, าบอกว่าท่านรอซูนได้กล่าวถามได้กล่าวตอบคาถามกับผู้ที่ถามว่าไออยู ah, ah, ah, ah, ่อัลเดียเนี่ยอัฮบุยละลอตตายและศาสนาใดที่เป็นที่รักยิ่งต่อหรอท่านตอบว่าแนวทางอันเที่ยงตรงที่มีการ ฮานาฟีอะอัซซัมฮะแนวทางที่เที่ยงตรงและเที่ยงตรงอย่างเดียวพอไหมไม่พอนะต้องมีการอารมุ่มอรวยต่อผู้ที่นับถือด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมีข้อผ่อนพัน์นะอะไรที่เป็นข้อห้ามห้ามไว้ตามสถานการณ์ปกติแต่คาไดายามขับขันไอข้อห้ามนั้นก็จะถูกถูก ผ่อนปรนนะเราเนี่ยไปดูเอารอกกันไม่ได้ล็อกแต่ขาได้ถึงขั้นคอดแล้วมันหาหมอไม่ได้ก็ต้องหมอนั่นแหละเพราะหมอทําคอตรงนัน้นก็ต้องเห็นไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อผ่อนปรนทางานศาส น, น, นาเป็นดรูร้อไปไ ป, ไปหาหมอหมอเป็นผู้ชายหาหมอมุสลิมก็ไม่มีลาบากกับผู้หญิงก็ไม่มีเอาเน้นแหละตามนั้นนะเลือกไม่ได้นี่ก็เป็นการรักษานะอ้าว ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นศาสนาที่เที่ยงตรงและมีการอลรมุ่อารวยมีข้อผ่อนปรนกับผู้ที่นับถือและอิสลามมีทางออกหมดนะต่อมาอีกวักหนึ่งเนี่ย น, นี่เรื่องอะไรเรื่องความบริสุทธิ์ใจอินนัสซาลตีกุ้นจงกล่าวเถรมุฮัมมัดว่าแท้จริงการละหมาดของฉันวานุสุกีและการเชือดสัตว์ของฉันนุสุกเนี่ยแปลว่า เชื่อสัตว์โดยตรงและอีกอันหนึ่งแปลว่าพิธีกรรมก็ได้ว่ามหยายาญะการมีชีวิตของฉันว่ามามาตีการตายของฉันเพื่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลลโลกเท่านั้นลินลาฮิตาลานั้นเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ลินลาฮิตาลาเพื่อรอตาลาทากุรบาลเพื่ออะไรเพื่อรอตาลาเนี ลาชารีกละลาหูไม่มีพารคีใดๆสำหรับพระองค์นี่คุณนไหมเนี่ยอ่านที่ไหนเนี่ยอ่านดูอาอิสติฟตาเนี่ยดูอาอิสติฟตาที่เราอ่า น, นก่อนจะละหมาทุกครั้งเ่ยรกอ่าแรกแล้วอ่านวัจจะตูเนี่ยมันมีอยู่นะตรงไหนวัจจะตูวัจจะฮิยาลลัลดลีฟาตอรสซามาวะทิวัลอาร์ฮานีฟัม มุมาวามาอ i านมินันมุสลิมินอินนัสซาลาตีวอนุสุกีวอมหายยา a อมมาติดได้รับอ a ่างแคลมินเด a ลาชาดีกะละหูบิ a าลิกะมิตตู่ว่าอ่านะเอาวุนมุสลิมินหรือว่าอนมินมินนสนกนำนวนเราอาจารย์มีนันมุสลิมินแต่ท่านในคุรนบอกว่าอานะเอาวรุนมุสลิมีนไม่มีภาคีใดสาหรับพระองค์และสิ่งใดและด้วยกระสิ่งนั้นแหละที่เราถูกใช้ อูมีรุตูสิ่งนั้นแหละที่เราถูกใช้วะอันเอี่เอาวรุนมุสลิมีนและคนแรกในหมู่พวกมุสลิมทั้งทั้งหลายฉันคือฉันคือก็คือท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีอัลัุรอาเนี่ยคือคนแรกในหมู่มุสลิมทั้งหลายแต่เราเขาก็มาเปลี่ยนตอนท้ายใช่ไหมวะอันเนีมีนั่นมุสลิมีนและฉันเป็นส่วนหนึ่งของบรรดามุสลิมทั้งหลายแต่ในกุรอานเนี่ยตรงนี้พูดถึงอานเนอาวรุนเอาเรืไปถึงตัวน่ะท่าน น, น, า น, นาบีเนี่ยเป็นคนแรก พออิสลามเนี่ยมาเริ่มมาเริ่มจากจากใครละ่ะคนแรกเลยก็นับี ม, มอหมัดเราสิไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมละ่ะแต่อานนี้มก็ไม่เป็นไรนะเราจะแกว่าเอาวะลูกก็ไม่เป็นไรเพราะเอามาจากประโยคกุรานในตฟาดอีนเขาแปลงนิดนึงเขียนนึงว่ามีนั่นมุสลิมีนอาไอคำว่าวัดยะตรงนี้ก็หมายถึงชันผินหน้าไป วัจหตุวั จ, จเฮียลินแดีฉันผินหน้าและใบหน้าของฉันไปยังผู้ที่สร้างฉันฟา้าฟตรัสมาวาตุวันฮานีฟัมนะด้วยความเที่ยงตํานะครับอ่ะศา ส, สนาของนบีทั้งมวลก็คือศาสนาอิสลามนาบีทุกคนนับถือศาสนาอิสลามหมดอ่ะอ่านต่อนะ คืออัลลอฮฺฉะบก ي ร์รับบอห์และรับบุ ل ุลิชัยคืออัลลอฮฺฉะบกิร์รับบอหคุวลตักบุคุลน สินอิลล้าอัลเลาะห์วะลาตัศบุคّลนับสินอَลลَาอัลเ ز ِ ر ห์วะลาตาซิรูวา ทุ่มมาอิลล ر รับบิคุมมาร์จิอุคุมทุ่มมาอิลลารับบิคุมมาร์จิอุคุมฟายูนับบิอุคุมบีมคุตุมฟีหตัคลิฟุ و ะฮ์ هو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي بلواكم فيما آ ت ا ك م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 กล่าวเถิดมูฮัมมัดว่ายังมีอื่นจาก Allah อักลลอฮ์อีกเหรออ่ายังมีอื่นจากอัลลอฮ์การนั้นหรือที่ฉันจะสแสวงหาพระผัวพี่บาลก็ไม่มีแล้วไงสรุปก็คือไม่มีไม่มีแล้วอื่นจากนี้ไม่มีแล้วที่เหลือพระเจา้าปลอมทั้งนั้นหละเรากล่าวกาลิมอชชาฮดาและอีลาห์อิลอลอเนี่มีสองความหมา ย, ยนั่น หนึ่งก็คือปฏิเสธและอิลฮะฮ์อิลล์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดเลยและก็ให้การยอมรับพระเจ้าที่แท้จริงมีอยู่แค่หนึ่งเดียวอัลลอฮ์อิลลลอห์การบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านี้ไม่สมบูรณ์เท่ากับบอกว่าและอิ ล, ละฮ์อิลลอ ล, ลอห์ลลคือประโยคที่ปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมและเหลือแค่อัลลอฮ์องเดียว กุลอาไกรลลอฮิอาบะกิรับบะวะหัวรับบุกุลลิเศียจงก่าวถึงมุฮัมมัดว่าอื่นจะอัลลอฮกานั้นเหรอที่ฉันจะสแสวงหาพระผูวพี่บาลทั้งทั้งที่พระองค์นั้นเป็นพระผู้พี่บาลของทุกสิ่งก็อัลลอฮเนี่ยอภิบาลโลกอภิบาลดวงอาทิตย์ภูเขาแม่น้ํายิ่งใหญ่กว่าที่มนุษย์สร้างต่างเยอะแ ย, ะ, ยะไปหมด มนุษสร้างตึกถือว่าแจวแล้วสร้างรถเร็วแจ๋วแล้วอัลลอฮ์สร้างฟ้าอัลลอฮ์สร้างภูเขาและอภิบาลดูแลทั้งหมดปาในมหาสมุทรและมนุษ์เนี่ยจะไปไปขออภิบาลกับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์อีกหรอแหมเลาตักซีบุกุลลูนับสินอิลลัยฮะและแต่ลนชีวิตนั้นจะไม่แสวงหาสิ่งใด นอกจากจะเป็นภาระแก่ชีวิตนั้นเองเท่านั้นนะแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นผลที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นภาระกับตัวเราเอองงหัหยสมมุตินะเราไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเอาอีละ่ะเรื่องแต่งงานละเออ แล้วถามว่าเราจะไปฝากคนอื่นดูใช่ไหมละ่ะเราเราไปแต่งเราก็ต้องดูแลเราหางานเองอะ่ะเออเอาแมวมาเลี้ยงโอ้ยยากมากเลยตอนแรกไม่มีแมว้ว่าเอาแมวมาเลี้ยงพอเลี้ยงปับ๊บโหมันขี้เว่ยเปลืองตังเว้ยเอาแล้วเราไปปล่อยเอาเอามาก็ต้องดูแลมันเป็นภา ร, ระของเราที่เอามาไปฝากคนอื่นได้ไงเ <laughs> ช่นเดียวกันเราทําอะไรเอาไว้มันก็ย่อมตกอยู่ที่ผลเรานะ ข, ของตัวเรานรั่นแหละ กระจายนะใครละหมาดคนนั้นก็ได้บุญใช่ไหมใครซีเกตคนนั้นก็ได้และไม่มีการนะโอนโอนถ่ายอามันส่วนตัวอะอะไรที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นฟะดวอินเป็นภาระของเราจะไปฝากคนอื่นละหมาดไม่ได้วันนี้ซบโบยีละหมาดแทนฉันหน่อยฉันขี้เกียจคืนนี้ฝนตกจะ่ะอันนี้ไม่ได้มันเป็นภาระของเราเราต้องละหมาดใช่ไหม มันเป็นฟะฮุอิยินอิสลามเนี่ยมีคําว่าวากีนวากีนแปลว่ามอบหมายบางเรื่องมอบหมายได้ยังคว่างเสาหินเนี่ยคันไปทําพัดเน่ยไม่ไหวเนี่ยมอบหมายได้นะให้คนไปคว้างแทนได้แต่วุกูบนี่มอบหมายไม่ได้วูกุบเนี่ต้องไปเองเออแต่คว่างเสาหินเนี่ยมอบหมายได้บางเรื่องมอบหมายได้ในอิบาดาั้นแหละแต่บางเรื่องมอบหมายไม่ได้ต้องทําเองละหมาดอย่างเงี้ยมอบหมายไม่ได้นะ แต่ถ้าจะแจกสกาศนี่มอบหมายได้ยีเอาเอ า, เอาตังฉันไปเดาโอนตังให้ไปแจกสกาศให้หน่อยเนี่ยมอบหมายได้อ่าบางเรื่องต้องมีฉลัดมีเงื่อนไขถึงจะให้คนอื่นทําแทนได้เช่นฮัดถ้าตัวเองเกิดนอนติดเตียงแล้วตังพึงขายที่ได้ตังมีเป็นกองเลยแต่ไปได้ไม่ ไ, ได้ไปได้แล้วพึงขายที่ได้ไงอย่างนี้ให้คนอื่นไปทําแทนได้นะีไอ้บางเรื่องมันต้องดูด้วยบางเรื่อง เรื่องทำความสะอาดนี่ต้องตัวใครตัวมันแต่ถ้าเกิดสมมตินอนติดเตียงเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาทำให้ะอะไรนะนน ม, นนมีแต่คือแน่นอนอันนี้เป็นเงื่อนไขปกติอยู่แล้วคนที่จะไปทำให้ต้องทำของตัวเองก่อนเราจะไปทำให้คนอื่นก่อนทั้งๆที่ทตัวเองยังไม่ทำทำไม่ได้ ต้องทาใหข้ของตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนตัวเรายังไม่สมบูรณ์เลยไปทําห้คนอื่นได้ไงอันนี้เรื่องปกติในกอริดาตัวไปเลยนะบางเรื่องก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเช่นคุณตบ้านิก้าเนี่ยเอาคนไม่เคยีแต่งงานมาคุณตบ้านิก้าก็ใช้ได้แต่ฟังเอาแล้วไม่รู้จริงเพราะไม่เคยมีประสบการณ์จริงยังไม่เคยแต่งงานเลยสอนแปะเลยเงยมันต้องทนแต่งงานแล้วถึงจะสอนแล้วเขาเรียกว่าอัธรรถมากกว่าเพราะเขารู้ปัญหารู้ ความจริงอ่อาอะไรที่เป็นอามันส่วนตัวโยนให้กันไม่ได้โอนให้กันไม่ได้ถ้าโอนให้กันได้เนี่ยอร่อยเลยนะพี่น้องกีซิกเก็ตเอาไว้พันหนึ่งเมื่อเช้ากีขายชันแม่ฉันซื้ออยากได้ซิกเก็ตกีกีก็จ่ายฉันใจตังไปกีเนียดผลบุญให้อันนี้ไม่ได้ใครทำคนนั้นได้ใครอ่านกู้อ่านคนนั้นก็ได้ กุจอ่านก็นเหมือนกันเป็นอิบาดาส่วนตัวใครอ่านคนนั้นได้แต่ถ้าบริจาคอันนี้แหละคนอื่นได้ด้วยถ้าบริจาคให้ย่อให้มะให้นูน่นให้นี่เนียดได้อา้าวอีวักหนึ่งวอลเตซิรุวซิรอตูวิสรออุครออันนี้จะยกบ่อยมากนะเป็นกออีได้เลยคือแต่ <c oughs> คือไม่มีผู้แบกภาระคนใดจะแบกบาปของคนอื่นได้ ใครทำบาปคนนั้นก็รับบาปไม่ใช่คนนึงทำบาปอีกคนหนึ่งรับในมีอยู่ศาสนาหนึ่งถูกเอาไปฆ่าแล้วก็เป็นการรับชำระบาปให้กับคนทั้งโลกเลยเออมีคนยอมตายคนหนึ่งเพื่อจะล้างบาปให้อีกคนที่เหลือฉันก็งงในอิสลามไม่มีอิสลามคนไหนคนไหนทำบาปคนนั้นก็รับบาปไป ไอคนไม่ได้ทําจะไปเกี่ยวอะไรล่ะใช่ไหมล่ะเออไอนี่เราไม่ได้ทําแต่เราโดานบาปไปด้วยแต่คราวนี้มันจะมีสารตั้งต้นคนเรื่องเราเนี่ยเป็นเป็นศารตั้งต้นให้คนไปทําบาปเข้าใจยังอ่าไม่เขา้าใจผลก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยเริ่มงงและ้ะไปชี้แนะให้คนขึ้นนี่บอกใครด้านละ่ะใครที่ไปชี้แนะฮูดา ทางนำแล้วเขาได้รับทางนำคนนั้นก็จะได้รับผลบุญเหมือนคนที่ไปชี้เลยใครที่ไปชี้คนดอนลาละหลงผิดเขาเนี่ยไม่หลงหรอกแต่เราไปไปบอกเฮ้ยทำอย่างนี้สิทาอย่างนี้สิแนะนำเขาแล้วตัวเองก็รู้ว่ามันหลงผิดด้วยนะแล้วก็ไปแนะนำให้คนหลงผิดนั่นแหละคนนั้นแหละรับด้วยเขาเรียกว่าตัวก่อการอ่าตัวยุยงก่อการเป็นสุเป็นสาเหตุอันเนี้ยจ่เชิญ เพิ่งมีปีนี้หรอเพิ่งมีปีนี้หรอมีมาตั้งหลายปีแล้วฉันลวันอาทิตย์สฉันถันวุกูวันนั่นวันวันเสาร์คือฉันยังทาใจไม่ได้วูกูอีกวันหนึ่งแล้วไปบวชไปละใหม่วันหนึ่งฉันคือยังจะอ๋อมันคนละวันกันไม่ได้หรอก คืออันนี้ตอบด้วยกับความรักนะคือเราเราต้องเลือกสักอันนึงอ่ะเราจะอุคุบวันไหนถ้าเอาอุคุบวันเสาร์ก็อีดวัาทิตถ้าจะเอาอุคุบวันอาทิตย์ก็อีดวันจันท์อืมแต่ว่าคราวนี้มันก็จะต้องไปหาสุราอันแหละสมุทรสุเราอไหนมันละหมาดวันไหนก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามันมันมันขีดลับกันเรื่องว่าบุตออร์ฟ้าเนี่ยมันเป็นเวลาหรือเป็นสถานที่ คนนี้ก็บอกเป็นเวลาไม่เกี่ยวสถานที่เขาก็แต่แต่วันวันไหนตามคุณผู้ น, นำบอกไงก็วันนั้นถ้าใครก็บอกว่าเป็นเป็นสถานที่ด้วยเป็นเวลาด้วยมันก็มีที่เดียวและในหนังสือเขเขียนว่าเราฟ้ามีมีที่เดียวด้วยมีวันเดียวด้วยไม่ใช่มีหลายวันอ๋อมันเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องฮัทไงคือพอดูเดือนทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ถามว่าใครมีหน้าที่กําหนดวันวู ก, กูฟล่ะ ใทยมีหน้าที่กําหนดวันโุกุ๊บมีทั่วโลกอะกาหนดวันวุกุบได้หรอไม่ได้มันมีที่เดียวกําหนดวันโมกุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอยู่ที่นู่นนั่นแหละจุฬาเนี่ยประกาศวันอีดแต่เชื่อเธอประกาศวันโุกุ๊บไม่ได้หรอกใช่ใช่ไหมฉันเวลาฉันบรรยายฉันจะบอกอย่างงี้ฉันจะบอกว่าอ่าจุฬาเนี่ยเขาประกาศวันอีดนะอ่าแต่วันวุกุบเนี่ยเขาประกาศไม่ได้หรอกเพราะวันวุกุบเนี่ยต้องให้ซาอุดีประกาศ และไทยเราเนี่ยจะขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปทําฮั์เนี่ยก็ต้องยึดวันโมกุปที่ที่ซาอุดีประกาศยึดวันไทยประกาศได้ไหมไม่ได้เพระาะประกาศประกาศวันไทยก็ไปก็คนละวันดิคนไทยเราเนี่ยทั่วโลกเนี่ยวันที่ขึ้นไปทำฮัทเนี่ยต้องยึดวันโมกุปตามซาอุดีประกาศแค่นั้นแหละแต่ว่าคราวนี้ถ้าเขามองว่ามันไม่เกี่ยวกับสถานที่มันเกี่ยวกับเวลาก็คือวันที่เก้าแต่เก้าไม่มีอัลลอฟ้านะ เก้าอีกวันหนึ่งซึ่งเก้าอ่ะนะทางทางทางซาอุดีควางเขาหินแล้วซาอุดีควางเสาหินแล้วของเราเพิ่งบวชสมมุตินะเมืองไทยก็บวชก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงก็ตามนั้นแหละสบายใจยังไงก็ตามนั้นวันรอหัอใอแลมผมก็ไม่รู้นะอแต่ว่าเราทาําตามทําตามที่ที่เรามั่นใจตรงนี้ ออว่าซีรตนวิสุรอุครอคือที่ที่เบถามไม่ใช่ปีดีปีนี้ปีเดียวนะมันหลายปีมาแล้วไม่ใช่ปีนี้ผู้มีนะมีเกือบทุกปีแหละเกือบเชื่อตจงกันอยู่แล้วผมเนี่ยนอนไปแล้วด้วยวันที่คันซาลดี้หลับวันซี่ซาลดี้ดูน่ะนอนไปแล้วนะประกาศว่าเก้าสิบห้าปอร์เซ็นตไม่เห็นแล้วอยู่ดีมันเห็นเฉยเลยไม่รู้เห็นที่ไหนไม่รู้แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยไม่เห็นเลยนะเก้าสิบห้าปอร์เซ็นต มาเห็นดึกมากหลับไปแล้วหลับไปแล้วแล้วก็มาบอกว่าเห็นแล้วก็มีคนโทรปลุกตอนตีสามบอกว่าเห็นเดือนนะเอลทัมดุลินละอันนี้ไม่ได้ตอบเอาใจเบนนะไม่ได้ตอบเอาใจเบไม่ตอบเอาใจใครใครจะว่าไงก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าฉันบอกว่าจุฬาเขาประกาศวันอีแต่ว่าเขาประกาศว่าวกกว่าวกูมีคุยมีที่เดียวประกาศ แล้วคนไทยไปอ่ะยังไงก็ต้องบุกคุบนนั้นแหละอา้าวสุดท้ายสุดท้ายและอายสุดท้ายแล้วอัลลอ์นั้นคือที่พวกท่านทั้งหลายอ่อัลลอ์นั้นคือผู้ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้แทนในแผ่นดินคอลีฟ้าคอลฟ้าแปลว่าอะไรรู้ไหมคอลีฟ้าคือคนที่ปกครองโดยเอากฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์มาปกครองเรียกว่าคอลีฟ้าและ รอฟ้าบ้าวดอกกุ้มเฝ้ากบ้าดินดอโรจ่าตินอัลลอฮ์ยกในหมู่พวกท่านบางคนเหนืออีกบางคนแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้นำได้หมดบางคนเป็นผู้นำบางคนเหมาะเป็นผู้ตามโต้ครูก็เหมือนกันบางคนก็สอนได้บางคนแปลอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่แต่ละคนจะแตกต่างกันบางคนเป็นผู้เรียนบางคนเป็นผู้ฟัง เพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ประทานให้แก่พวกเจ้าแท้จริงพระผู้บันของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการลงโทษและเป็นผู้อภัยโทษในความเมตตามีที่เขียนเอาไว้นะในอะไรอันนี้น่าจะเจอหลายครั้งละล่ำ ม, มาข้อละก็รอเมื่อเอลอได้สร้างโลกเสร็จ พระองค์ก็ได้บันทึกไวนะ้ณที่พระองค์บนบันลังว่าแท้จริงนี่อินนาร์มาตีตาลีบูกรตบีความเมตตาของข้านั้นมีมากกว่าความโกรกิ้วของของข้าอัลลอฮ์เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการโกรธกับการเมตตาเนี่ยมีมากมีเมตตามากกว่าก็ดีผลบุญก็ให้ดับเบิลนะเอ่อเตาบัด ต, ตัวก็ให้ยันจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยดวงกระเดือกมาถึงลูกเนี่ยถึงลูกกระเดือกวิญญาณถึงลูกกระเดือก เวลากวันสุดท้ายนุนเลยนี่ความเมตตาของน้องเนี่ยมันมีเยอะกว่าแต่ก็ต้องมีการลงโทษด้วยไม่ใช่เมตตาอย่างเดียวหมดมันก็ไม่ใช่เหมือนเราเลี้ยงลูกหละจะเมตตาอย่างเดียวเลยลูกก็เสียคนถ้าลูกทําผิดก็ต้องมีการลงโทษตักเตือนนะครับอันนี้ต้องต้องอะไรนะต้องบริหารจัดการให้ดีแต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องมีความเมตตาที่มากกว่านะ Subhana k a l a h u m m a ubihamnika shadoalla ilahillanta astagfiruka watubilai salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.